กาปเรียนหลวงพ่อโยมได้รับของขวัญจากเจ้านาย <c oughs> เป็นกุญแจบ้านเขาบอกว่าถ้ามุนต้องการเข้าหาที่เก็บอารมณ์เข้มเหนเสาร์อาทิตย์ให้ไปที่บ้านเขาได้เลยเขาจะ <c oughs> นี่เขาเป็นผู้หญิงนะทำอาหารให้ทานเป็นของขวัญพิเศษแสดงถึงเข้าใจการปฏิบัติแบบนี้ค น, นุ้เขาบอกว่าอันนี้เขาเป็นเจ้านี้มาหาลาัยนะ มีการปฏิบัติยกมือทุกเช้า 15-20 ถึงนาทีก่อนทำงานก่อนไปไประชุมมองอะไรในทางบวกมากขึ้นพูดคุยกับโยมเรื่องการปฏิบัติเสมอหนูจะดึงประเด็นเป็นปัญหาการทำงานมายงกับเหตุและผลเสมอเชื่อเห็นถึงสติและปัญญาการใช้สติและปัญญาทำให้เป็นคนฉลาดเข้าใจอะไรได้ง่าย เมื่อมีเวลาก็จะเข้าเก็บอารม์เข้มเรื่อยๆจะเป็นผู้นําที่ดีมากและส่งเสริมการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนในมหาไลัยได้ดีมากอันนี้เขาเป็นผู้บริหารในมหาลัยอิลลินอยชิคาโก้นะมาปฏิบัติกันหลวงพ่อคนนั้นเพราะฉะนั้นเขาตอนที่เขาจะจากไปบอกกับปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะเปิดอารมณ์ที่มหาลัยอิลลินอยเลยเพราะเขาเป็นอาจารย์สอนศึกษาไปสอนพวกนี้มันมีผลทําให้ไปได้เร็วไประดับคน ปัญญาชนคนมีการศึกษาแล้วมันกระจายไปทั่วโลกด้เร็วเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันออกไปจากอเมริกาน่ยมันไปที่ย้อมรอบของประเทศเล็กน้อยทั้งหลายนยโอ้ยาประมาทเรื่องนี้นะนี่เขาเป็นคนฝรั่งก่อนทำงานเขามานั่งยกมืสอสร้างชีวะทุกวันวันห้าทีสิบนาทีทำให้ผลการทำงานเขาดีขึ้นคิดอะไรทางบวกเป็นเหตุผลผลเมื่อก่อนเขาเครียดแต่เดี๋ยวนี้เขา ไม่เครียดเลยนะเขาก็เรื่องนี้ไปสอนไปศึกษาแล้วเขาเอาคุณแายบ้านเขาเนี่ยให้โยมมนุยมเล็กที่ว่ามาปฏิบัติเราแล้วเนี่ยให้เลยว่าถ้าคุณจะไปพักผ่อนบ้านเขาหลังใหญ่เก็บอารมณ์เข้มอะไรที่บ้านเนี่ยเขาจะทําอาหารให้กินแล้วเก็บอารมณ์ปฏิบัติร่วมกันเพราะฉนั้นทั่วโลกกําลังเห็นความสําคัญเรื่องนี้ยอมาก็ฟังเรื่องหมอบรรยายนจนเช้าเนี่ยสิ่งที่ทําให้เป็นมะเร็งคือความเครียด ทุกครั้งที่เราอารมณ์เสียอาร ม, มูดหงิดอารมณ์เครียดทุกครั้งเราได้ก่อเสีย์มละเร็งขึ้นมาฆ่าตัวเองทุกครั้งอันที่สองคืออาหารเนื้อทั้งหลายโดยเฉพาะหมูเนี่ยเาว่าหลีเกเลี่ยงไม่กินได้ดีเพราะหมูนี่มันเป็นตอายโด้วยโรคสองโรคตัวมันน่ะไม่ฆ่ามันตายโดโ้วยโรคหัวใจกับโรคมะเร็งดูแลร่างกายให้เข้มแข็งแล้วก็ดูแลจิตใจให้ ให้ว่างให้สะอาดให้สงบเอาไว้เสมอโดยการใช้สติสัมยาดที่เราฝึกเนี่ยเพราะฉนั้นพยายามฝึกทุกวันนะอย่าว่าวันใดสิบนาทีสิบห้านาทีพวกเรามีเวลาเยอะก็ให้มันเยอะหน่อยวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงไปเรื่อยๆทุกวันถ้าแต่วันนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงแต่เสียดายทุกปีที่เราไม่ได้ติดตามกันว่าใครอบรมไปแล้วกลับไปเนี่ยไปปฏิบัติบ้าง เราไม่ได้ติดตามแต่พี่นี่หลวงพ่อจะพยายามติดตามใครมีมีเฟซมีไลน์เอาให้หลวงพอ่อมีอะไรก็จะส่งไปทางไลน์เดี๋ยวนี้มันเร็วส่งไลน์นี่ค้ามโลกได้เลยนะอะไรดีแล้วก็ส่งกันทาง line. ไลน์แม้แต่ youtube ก็ส่งกันทางไลน์ไม่ต้องไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ใน youtube ใหญ่นะแล้ส่งไปทางไลน์ก็ลิงค์เขาต่อ u t u b e ใหญ่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นกลับไปนี่หลวงพอ่อต้องไปปรับระบบอินเทอร์เน็ตที่วัดไปทําทำเฟซบุ๊กไลน์ที่วัดเลยนะไม่ต้อง ไปเผยแพร่ที่ไหนล่ะใครไปเปิดลงที่ไหนก็เอาเฟซไลน์ไปเปิด น, นั่เนี้ยการสื่อเนียทำให้เราลดลดการทำงานเหน็ดเหนื่อยลงใช้ให้เป็นเสดายพระสมัยใหม่รุ่นสมัยใหม่แทนที่จะสนใจเรื่องเนี้ยสนใจเผยแพร่เรื่องสือกอจะไปนสนใจเรื่องอื่นเพราะว่านี่เป็นเครื่องมือในการเผยแพทร่ที่ดีที่สุด นั้นก็หวังว่าถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติทุกวันถ้าแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้าเวลาสิบนาทียี่สิบชันี้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่คนที่มีกําลังศรัทธามีกําลังความเพียรเวลาเนะมีเท่ากันหมดอแต่ว่าใครมีศรัทธามีความเพียรแข็งแรงกว่าคนไหมีศรัทธาและความเพียรแข็งแรงกว่าก็ทําได้มากกว่าคนใดมีศรัทธาอ่อนความเพียรอ่อนก็ทําได้น้อยกว่าหรือไม่ทําเลยนะมันอยู่ที่ตรงนั้น ทบทวนเรื่องนี้ให้ดีเมื่อวานหลวงพ่อทบทวนครั้งหนึ่งแล้วเรื่องตั้งแต่ต้นไปจนจบในระดับเราแล้วนะก็คือการ <c oughs> มาทบทวนพื้นฐานรูปนามเป็นหลักเอาไว้แล้วก็ถ้ามันมีสิ่งใดเข้ามาเราก็จําเป็นต้องแช่อารมณ์ตัวนั้นถ้าสมมุติว่าไม่มีสิ่งใดเข้ามากระทบให้ลําบากกายลําบากใจแล้วก็ดูแต่ความรู้สึกตัวไปเรื่อย แต่ถ้ามีสิ่งใดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้งกายใจเราก็ใช้เครื่องมือแต่ละตัวไปทบทางกายแล้วก็ใช้สติสัญญะแค่ไขให้ผ่อนคลายถ้ากระทบทางเวทนาก็ปีนยิยบุตให้สบายถ้ากระทบทางจิตก็ต่างตามเอา เ, เอาปัญญาเอาปัญญายาณเข้าไปสํารวจว่าขณะนี้จิตมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงขุ่นมัวทำไมจึงเศร้าหมองทาไมจึง ปุงแตงคิดมากเกิดความวิตกกังวลทําไมจึงเป็นอย่างนี้เอาใจเอาสติปัญญาแล้ดมเข้าไปจัดการเรืนั้นให้ได้ก่อนจนกระทั่งจิตมันสงบสะอาดสวา่างก็ค่อยๆเริ่มทําอะไรต่อไปอย่าพูดอย่าทําอย่าคิดในขณะที่จิตไม่ดีเพราะมันจะเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมติดตัวเราไปต้องทําจิตให้ดีก่อนเมื่อจิต ด, ดีแล้วกายจะดีคําพูดจะดีหน้าตาจะดีบุ ค, คลิกก็จะดี ทัศนคติก็จะดีถ้าจิตไม่ดีแล้วมันเสียด้วยกันทั้งระบบเลยนะแล้วก็ฆ่าตัวเองทั้งกายทั้งใจทั้งกายก็คือถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก่อให้เกิดเชื้อมะเร็งไงสังสมความเครียดนะทีนี้ถ้าหากว่าเราได้เจริญสติเนี่ยเราก็มีเครื่องมือจัดการโรคทางกายโรคทางจิตได้ได้วยการสำรวจอยู่เสมออย่าไปเผลอเพลินไป เรื่องอื่นพ่อเราเราเพลินกันมากแล้วตลอดชีวิตแล้วเนี่ยมันน่าจะพอแล้วเพลินเท่าไหร่สนุกเท่าไหร่มันก็ได้แค่นี้แหละแต่มันทําให้ร่างกายและจิตใจเราทรงลงโดยไม่รู้ตัวเราแก่ไวนะบางคนอายุเท่ากันเนอปมาณเนี่ยคนละเรื่องเลยหมอปมาณมันลูกเขาเป็นพ่อไปเลยนะคนละคนละหุ่นไปเลยเพราะว่าบางทีการใช้ชีวิตที่ขาดสติสัญญาแน่ยเป็นการทําร้ายตัวเองทุกวัน เรื่องโครงสร้างทางอาหารขอวงพ่าจะเปลี่ยนอยู่นะตั้งแต่ป่วยคราวเนี้ก็จะเปลี่ยนนะคือต้องถ้าไม่เจนเบนไม่กินเนื้อไม่กินปลาเนี่ยนะหินผักผลไม้นี่เป็นหลักบอกมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้อทําไมเรียกว่าสัตว์กินพืชเพราะว่าลำไส้มันยาวอตั้งแปดเมตรถึงยี่สิบเมตรเพราะนั้นระบบการขับมันก็จะไปเรื่อยๆของมัน แต่สัตว์กินเนื้อเนี่ยลําไส้มันจะสั้นเพราะเนื้อมันเข้าไปแล้วเข้าไปดูดซูร่างกายแล้วมันเน่าเร็วถ้าหากว่าขืนมันไปผ่านลําไส้ยาวขนาดนั้นเนี่ยมันหมักมันหมมบินก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆมันออกมันออกช้านะออกช้าแต่สัตว์ที่มีลําไส้สั้นเนี่ยมันกินแล้วมันก็ออกเลยกินแล้วก็ออกเลยมันไม่หมักหมมมันก็ไม่เป็นมันก็เป็นมะเร็งอย่างมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชกินผักผลไม้ ก็ไปกินเนื้อมันก็หมักงมอยู่หลายวันหลายคืนก็จะออกมันก็เน่าเสียอยู่ตรงนั้นอันนั้นเป็นสาเหตุของมะเร็งเป็นกฏเป็นแก๊สเป็นกฏลายย้อนเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคเบาหวานความดันเข้ามาจากตรงนี้ทั้งนั้นอาหารที่ดีที่สุดกินได้ตลอดชีวิตอายุได้ถึงร้อยปีคืออะไรรู้ไหมกล้วยน้ำว่ากลวยน้ำว่ายาที่ดีที่สุดเขาค้นพบในอเมริกานี่พุทธฟาร์มซีว่า้นเอามาแปลคำวาพุทธโอสถ อชื่ออะไรรู้จักไหมพุทธโอรสเยู่ในร่างกายของเราตอนเช้าเราก็เทมันทิ้งทุกวันทุกวันอะไระน้ําปัสสาวะพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกไว้ในนิสัยสี่นะต้องทําเป็นนิสัยเลยนะท่านว่านะอะนุ่งห่มบามาสกุลหนึ่งฉันบิณฑบาตหนึ่งอยู่ในที่สงบสงัดหนึ่งฉันยาดอกด้วยน้ํามูลน้ำคือน้ําปัสสาวะหนึ่งว่านี่คือนิสัยสี่ และอกกรณียกกิจสี่คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่ประพฤติผิดในการราไม่อวดอ้างคุณวิเศษตัวเองอันนี้ไม่ควรทําแต่ว่าอนุาสาวร์แปดอุปชัยทั้งสอนวันแรกตอนบวชเลยนะผู้บวชใหม่เนี่ยท่านจะสอนว่าให้ทําเป็นนิสัยถ้าใหม่ไปทําได้ไงแม้ที่อุปชัยไม่ทําเลยนะอุปชายยังไม่ฉันนับสศวะเลยจะบอกให้พ่อใหม่บวใหม่ก็ไปกันมันก็ใช้ไม่ได้นะ แต่คนสมัยก่อนพระสมัยก่อนหลวงพ่อชาเนี่ยท่านเข้าป่าไปท่านไม่ต้องใช้กระติกน้ําอะน้ำไปสวัสด์น่ ะ, ะนะแก่หิวอย่างดีนะวะเพราะอะไรเพราะน้ําไตของเราเนี่ยเป็นเครื่องกรองที่ดีที่สุดเครื่องกรองระดับยิ่งกว่าของแอมเวยซีอีกนะละเอียดแต่หมายของไตเราต้องไม่เสียนะแต่คนทุกวันนี้ไตเสื่มอมไปเพราะกินยาเยอะนะเพรกินยาเยอะมันทําให้ไตไม่ค่ยได้ทํางานตับไม่ค่อยทํางาน คนก็เป็นมะเร็งแต่อายุแต่น้อยนะ น, นั่นเองอคลิป YouTube เมื่อกี้ถึงงพ่อว่าจะมาใช้ให้ดูแต่ว่าที่นี่มันไม่มี wi Fi. ไ i ไฟที่ถึงไม่ต้องไปโหลดออกมาเป็นฟไฟล์เป็นฟไฟล์ไอวิดีโอแต่ที่ YouTube มันก็ไม่เอออินเทอร์เน็ตมันไม่แรงมันก็จะไปโหลดมาไม่ได้เราเตออินเทอร์เน็ตไม่อยู่ที่ไหนเลยสัญญาณมินิดเดียวอะไรดีๆเนี่ยอยู่ใน youtube หมดทุวันนะหมอเก่งที่สุดนะพระที่สอนดีที่สุด เรื่องธรรมะอะไรดีๆที่สุดอยู่ในอยู่ในยูทูบเราก็มีเวลาเดี๋ยวก็เพื่อนเพื่อนค่อยส่งมาให้หรอกเดี๋ยวเพื่อน <ๆ S 2> คนนั้นส่งมาอะไรดีเพื่อนคนนี้ส่งมาเราก็ส่งต่อคนไหนที่ต้องการศึกษาเนี่ยอันนี้คือวิธีการสมัยใหม่เราไม่ต้องไปหาความรู้วิตาการ์ที่ไหนมันมาอยู่ในนั้นหมดเลยแ ล, ลนะแล้วแต่จะรู้จักใช้เนี่ยเราจะรู้จักเหตุบัญญการเมืองทั่วโลกประเทศไหนเป็นอย่างไรมาอยู่ในนั้นหมดอืม แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีแต่ทามาหากินแล้วก็ไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่การเล่นการกินที่ไร้สาระในะชีวิตของเรามันก็ไม่ไม่เติบโตนะอันนี้พ่อพูดถึงเรื่องว่าต้องใส่ใจสุขภาพอย่างไรสุขภาพกายใส่ใจอย่างไรแล้วก็คนก็จะหันมาเจริญวิปัสสนามากขึ้นเพราะถ้าหากว่าคนไม่ไม่เจริญวิปัสนาเนี่ยจะไม่รู้จักตัวเอง เมื่อไม่รู้จักตัวเองคนก็จะรักตัวเองไม่เป็นมันยังไปรักกิเลสมันตอบสนองความอรรถอร่อยความสนุกสนานความาสุขไปในทางวัตถุก็าทาร้ายตัวเองแต่คนทำวิปัสนาทาสมถวิปัสนาแล้วเนี่ยจะเห็นคุณค่าของชีวิตนี่ ว, ว่ามันมีค่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชีวิตของเราเนี่ย เราจะอย่าปล่อยให้มันทุกข์อย่าปล่อยให้มันป่วยอย่าปล่อยให้มันต้องเป็นโรคต้องดูแลรักษาเขาให้ดีนะแต่ถ้าหาเราต้องการมีอายุยืนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ตั้งปรารถนาเอาไว้ขอให้ข้าพเจ้าอายุแปดสิบตายวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นตั้งจิตไว้เสมอพอถึงวันนั้นปับ๊บร่างกายของเราของเราเลยชัดั p ปิดเลยนะแต่ตั้งจิตเอาไว้อนะ่าอยาก อยู่ร้อยหนึ่งเอะตั้งไว้ที่ร้อยหนึ่งแล้วแน่ใจว่าจะมีคนดูแลเราถึงร้อยปีไม่ใช่นั่นแหละพอไปถึงเวลานั้นลูกหลานมันไปไหนหมดแล้วเราโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวยังไม่ตายสักทีเพราะอายุยังไม่ถึงร้อยนี่แย่มันกันนะเอะเพราะนั้นก็อย่าไปตั้งไว้สูงแต่มาอโยมถามว่าจะอยู่สักเท่าไหร่อยู่ถึงสองร้อยเอาทำไมอยู่เยอะเกินะ <laughs> อะ อยู่ถึงสองร้อยคือสุขภาพกายให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตได้ไหมแต่ละวันสุขภาพจิตของเราไม่ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแค่นี้สองร้อยปซอายุสองร้อยการมีอายุถือกันมาว่าเรามีสติสัมญาและมีสุขภาพดีนี่คือการมีอายุแค่นั้นนะแต่วันไหนเราสุขภาพไม่ดีจิตไม่ดีอายุเราก็จะสั้นลงสั้นลงนะตามลําดับนั่นมาว่าเออสองรอยปีไม่ได้หมายถึงสองร้อยปีแต่ว่าความสบาย2องร้ยเปอร์เซ็นตนะ นะสองเซ็นต์ต่อวันนะอายุแปลว่าความสืบต่อของความสุขและความดีงามจิตใจที่เข้มแข็งอันนั้นคือเรียกว่าอายุเขาใช้ว่าคําว่าอายุมาจากคาว่าอายัดติงสืบต่ออายตนะอายติงอายุในมศัพท์เดียวกันนะามาสืบต่อไปต่อกัอนไปความสืบต่อของความดีงามความสู่ร่างกายและจิตแต่เมื่อใด ร่างกายและจิตมันไม่มีความดีงามมันมีความทุกข์มีความเครียดตอนนั้นอายุเราก็สั้นละอายุเราก็สั้นลงเรื่อยๆเองวันนี้อยากจะสรุปบทเรียนที่เราจะไปทำวันนี้นะให้ไปทบทวนตั้งแต่วันแรกที่เราทำมาในระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่หลวงพ่อได้ตอกย้ำเรื่องของพื้นฐานของความรู้สึกตัวหรือว่ารูปนามด้วยความรู้เนื้อรูอตัวหรือว่าสติสมชัญญะให้ชัดเจน ใครที่ยังไม่แจ้งเรื่องนี้เอาไปทุบทวนให้ชัดเจนว่าใครยังไม่เข้าใจรูปนามหรือเข้าใจรูปนามยังยังไม่ชัดเจนเนี่ยไปทบทวนดูว่าเราเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ต่ออีกสามวันเพราะหลวงพ่อจะกลับวันที่ยี่สิบนนทะ์แต่ถ้าเข้าใจแล้วคนไหนที่เข้าใจรูปนามแล้วเดีกลับไปบ้านจะอดทนไม่ได้เราที่ไม่ที่จะปฏิบัติต้องอยากปฏิบัติเรื่อยๆเพราะมันสนุก ถ้าเข้าใจรูปนามแล้วปฏิบัติสนุกไม่เบือ่อไม่เซ็งไม่ขี้เกียจมันยิ่งทํายิ่งจูบยิ่งเจ้ายิ่งดูยิ่งดึงยิ่งเห็นอาการของกายของใจชัดสัญญาณของการรู้รูปนามนะมันจะสนุกในการปฏิบัติแต่ปฏิบัติไปแล้วมันยังเบือ่อเบ่อไม่อยากทำก็แสดงว่ารูปนามก็ยังไม่เกิดเพราะจิตยังไม่ไม่อยู่กับตัวเองจิตยังไปข้างนอกเยอะอยู่มันไม่มาอยู่กับความสุขสงบของกายของใจนับปัจจุบัน จิตยังวิ่งว่อนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่รูปนามไม่เข้มแข็งสักพักหนึ่งก็ลืมหมดนะอันนี้สัญญาณแรกนะรู้รูปนามตามความเป็นจริงมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆรู้ทุกวันนะ่ะตามกำลังของสติสัมปชัญญะจนกว่ามันจะสมบูรณ์จะสมบูรณ์เมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันในชั้นเราเนี่ยคอยทำเรื่องง่ายๆเนี่ยให้มันมันได้เือก่อน แต่เรื่องอะรง่ายๆนี่ก็ยังไม่ได้ก็ลึกๆไปมันจะทาได้างมันละเอียดนะเรื่องรูปนามคือเป็นเรื่องของกายกับเวทนาความรู้สึกภายในความรู้สึกภายนอกคือกายความรู้สึกภายในกายอันนี้เป็นรูปแล้วผู้รู้ผู้เห็นผู้สำรวจผู้ตรวจสอบผู้สัมผัสอันนี้ก็เป็นนามนะนี่เป็นนามก็จะมีแค่สองอย่างดูแค่สองอย่างว่าตลอดเวลากายเราเคลื่อนไหว รู้ได้ทั้งหมดไหมตั้งแต่หัวจนเท้ามันเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะภาพต า, าปากหายใจเข้าหายใจออกสัมผัสได้ไหมเหลวซ้ายไหลขวาก้มเงยสัมผัสได้ไหมโยกซ้ายย้ายขวาลุกยืนเดินนั่งสัมผัสได้ชัดไหมนี่ให้ดูกายในส่วนหยากพอดูกายในส่วนย่อยนะ ส่วนภายในคือเรื่องเวทนาเช่นควารู้สึกขณะนี้ไปเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือคลึงหย่อนหรือตึงหนักหรือเบาอึดอัดหรือสบายหรือไม่สบายอันนี้ในส่วนนี้ก็สํารวจลงไปอันนี้เป็นพื้นเลยนะเป็นพื้นหลักประจําเลยเนี่ยเพราะมีอยู่กับเราประจำแต่เราได้เห็นอาการเหล่านี้ชัดไหมถ้าเห็นอาการเหล่านี้ชัดรูปนามเราจะเข้มแข็งขึ้นได้ไว แต่วันวนหนึ่งไม่ได้นึกถึงเรื่องเหล่านี้เลยนึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบอลเรื่องช่องเรื่องรายได้เรื่องธุรกิจเรื่องการเรื่องงานไปหมดเลยลืมรูปนามก็อยู่ไม่กี่วันก็ลืมเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เคยทํามาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ในพื้นฐานขั้นรูปนามเนี่ยให้ไปดูตรงนี้บ่อยๆแต่สําหรับคนรู้จักรูปนามรู้กายรู้ใจทํากายทําใจเห็นกายเห็นใจได้ชัดแล้วก็ก็เข้าไปดูอาการห้องจิต ดูปรมัติอาการของจิตว่าจิตวันนี้เป็นอย่างไรตื่นขึ้นมาสำรวจจิตจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสจิตขุ่นมัวหรือสะอาดก็ดูก่อนจิตมีมีมีอะไรอยู่ในจิตบ้างวันนี้สารวจดูทาให้จิตว่างๆรักษาจิตว่างไปยาวๆโดยการเอาจิตมาดูรูปดูนามเป็นหลัก สติสัมญาที่ในรูปนามเนี่ยมันจะรักษาอารมณ์ของว่างอยู่เสมอแต่ถ้าเมาื่อเราลืมรูปนามปั๊บจิตก็ไปหาเรื่องมาคิดพอไปหาเรื่องมาคิดิตก็จะเริ่มมีอารมณ์ดีไม่ดีะสะอาดไม่สะอาดมันก็เริ่มมาละเราก็ให้รู้ว่าเราลืมรูปนามละกลับมาดูรูปนามใหม่จิตก็เริ่มมาตั้งต้นใหม่มก็จะเริ่มชําระตัวมันใหม่เนี่ยมันโยงกันยังขาดไม่ได้เลยในะระหว่างอารมณ์รูปนามกับอารมณ์ปรามัดนี่นะ แต่ถ้าหากอารมณ์รูปน้ไม่ชัดปรามาัดก็ไม่เกิดถ้ารูปน้ำชัดปรมาัดก็เกิดเหมือนต้นไม้เราปลูกลงดินน่ะถ้าหาว่าน้าปุ๋ยมันดีต้นไม้ก็เติบโตน้าปุ๋ยไม่ดีต้นไม้ก็โตไม่ได้นะมันสัมพันธ์กันสมมติว่าตัวต้นไม้ที่เราปลูกลงดินเนี่ยเป็นรูปน้ำ <c oughs> แล้วต้นไม้เริ่มตอกแตกกิง่งแตกใบแตกกิ่งก้านเนี่ย ปรมัติคือเริ่มเติบโตจิตใจของเราเริ่มตโตโตด้วยคุณธรรมต่างๆแล้วพอต่อไปเราชำนาญในเรื่องการดูใจเป็นสามารถที่จะเอาความคิดออกก็ได้เอาความคิดเข้าก็ได้สามารถจะดึงใจให้ทําใจให้สงบทันทีก็ได้ทําใจให้ฟุ้งซ่านทันทีก็ได้สามารถที่จะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่โมโหที่ขุนมวัวแล้วดับมันทันทีได้ เคลียออกได้และใจก็ว่างโล่งทันทีได้เนี่ยรู้จักชําระจิตเป็นนะอันนี้ก็จะรู้จักอารมณ์ในเป็นวิปัสสนาญาณรู้จักชําระจิตเป็นแต่ต่อไปเริ่มไปเห็นอาการเกิดดับของความคิดความคิดเกิดมันเกิดอย่างไรพอเวลามันดับมันดับอย่างไรเริ่มสนุกกักนดูดูใจความคิดว่าได้มาตลอดเวลาเขาคิดมาตอนไหน มาตอนเผลอแต่ความคิดมีสามอย่างหนึ่งความคิดที่เป็นสัญชตาตญาณหรือธรรมารมมาเรื่อยๆผ่านหูรูปผ่านตากิดนิดหนึ่งก็จบเสียงผ่านหูรู้นิดหนึ่งก็ผ่านเพราะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เรียกว่าธรรมารมอันนี้คล้ายๆความคิดแต่ไม่ใช่ เพราะมันผ่านมาแล้วก็ผ่านอันที่สองความคิดอันที่สองเรียกว่าสังขารบางอย่างผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปเช่นไปเห็นรูปคนนั้นทำหน้ายักคิ้วหริวตาเสร็จเราเอ๊ะมันหมายความว่าอย่างไงอันนี้ผ่านมาจะไม่ผ่านไปละเริ่มมีความหมายละเริ่ ม, มคมมิดละอคนนี้ทำพอเห็นหน้าเราเราเบนหน้านี้หมายความว่ายังไงเกิดความหมายละอันนี้เขาเรียกว่ารูปนั้นผ่านมาแล้วไม่ผ่านไป แล้วพูดคุยกันปกติไม่มีปัญหาผ่านมาผ่านไปอันนี้พู ด, พดออกมาคํานึงผิดหูเอ๊ะมันหมายความไงพูดอย่างนี้อันนี้เราผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปตัวนี้มันจะนําไปคิดเรียกว่าสังขารเนี่ยความคิดตัวนี้เป็นสมุทยัยเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ละในตัวสมุทัยนี่พุทธเจ้าให้ความสําคัญมากเพราะมันเป็นเหตุเกิด ทุกเกิดอันสวกเกิดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงคิดประเภทที่สามเรียกว่าความคิดที่เกิดโดยจากสติปัญญาวันหนึ่งเราจะต้องคิดวางแผนทํามาหากินวระหยัดทำอะไรทําอย่างไรทำอย่างไรมันถูกทำอย่างไรผิดทําอย่างไ ร, ม, งไรมันได้กดําไรทํายังไรมันขาดทุนแล้วก็พินิษพิจารณาก่อนที่จะลงมือทําตรงนี้เรียกว่าปัญญาเหมือนกับความคิดแต่ว่าเนื่องจากมาเริ่มต้นด้วยสติเริ่มต้นด้วยสัมปชัญญะเริ่มต้นด้วยเหตุที่ผลมันจึงออกมาเป็นปัญญา S <S <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอาการเนื้อารมณ์ของจิตจะมีสามอย่างหนึ่งโดยทำมาลมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปรูปเสียงกีรติสัมผัสผ่านตามหจมูจเฉลิมนกระจายผ่านมาก็ผ่านไปอันที่สองผ่านมาแล้วมันไม่ผ่านไปแล้วแต่รูปเสียงกีรติสัมผัสมาทางดีหรือไม่ดีถ้ามาทางดีมันก็ฮิตในทางดีถ้ามาในทางไม่ดีมันก็ปุงแก่งในทางไม่ดีอันนั้นเรียกว่าสมูทัยคือสังขารอันที่สามเรียกว่าเป็นสติปัญญาที่เราจะต้องใช้ เราต้องใช้ประจําไอ้ความคิดแบบเนี้ยจะพูดจะทํำจะอะไรก็จะต้องพินิษพิจารณาก่อนว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกคนรไม่คนตัวนี้เป็นสติปัญญาคนจะมีให้มากตัวนี้เป็นตัวดับทุกข์ดับปัญหาถ้าความคิดชนิดไม่มีเนี่ยมันเป็นการก่อปัญหาโดยปริยายตัวสมุทัยเป็นการเกิดปัญหาและความทุกข์แต่ตัวสติปัญญาที่เกิดนี่มันเป็นตัวดับปัญหาและความทุกข์ตรงนั้นข้ามเลย เราก็ต้องมาเพิ่มเติมเสริมแต่งความคิดประเภทนี้ให้มากแต่ว่าความคิดเกิดโดยสติปัญญาเนี่ยมันเกิดมันใช้แล้วมันก็จบนะไม่ใช่คิดเลือ่อยเปื่อยเฉยแฉไปเหมือนสังขารสังขารน่มันคิดไม่จบคิดเรื่องนี้ก็ไปต่อเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นก็ไปต่อเรื่องนั้นให้รู้ว่าเป็นสังขารละแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะทำจัดดอกไม้สวย ก็คิดแต่ละแต่ว่าจะเอาดอกไม้อะไรบ้างเวลาเท่าไหร่จะทําสักเวลาเท่าไรจบไปแค่นั้นแล้วก็ไปทํางานอื่นไปทํากับข้าวกับน้ําซักผ้าถูเรือนกําหนดว่า10บโมงถึงสิบเอโมงวันนี้จะจัดดอกไม้พอถึงเวลานั้นปับ๊บล้วก็นึกขึ้นได้วั น, นเช้าวันนี้เราก็เริ่มไปเอาแจกันมาเปลี่ยนดอกไม้ไหนมันเหี่ยวดอกไม้ไหนมันเนา่าเราก็ไปล้างแล้วก็เริ่มไปตัดดอกไม้ใหม่ให ม, ม่ใส่ ในความที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าไว้เออจากสิบมงที่ิษฐ์มงเนเราจะจัดใจกันดอกไม้ในห้องพระนะในช่วงที่ยังไม่ถึงเวลานั้นจบเรื่องนั้นไปก่อนเราไปทําเรื่องจําเป็นเฉพาะหน้าจากช่วงนี้นถึงเวลานี้นเป็นช่วงอาหารเช้าเราก็คิดในเรื่องอาหารเช้าวันนี้เราจะทําอะไรว่างสามารถกําหนดไว้ก่อนได้นั่นเรียกว่าคิดด้วยสติปัญญาเขาเรียกว่ากําหนดการหมายกาหนดการประจำวันวันนี้เราจะทําอะไรบ้างทําเป็นสเกจชัวเอาไว้เวลาเท่านี้เราจะทําัานนี้เวลาเท่านี้จะทํ า, านี้ จ, จบ พอเสร็จแล้วเราก็มาลันตามเวลาที่เราตั้งไว้ว่าเจ็ดโมงถึงแปดโมงทุกเตรียมอาหารบเบรคฟาสต์อาหารเช้าก็ไปทํามีสติเอาเบสต์เอาเรื่องที่เราตั้งเอาไว้ตลอดวันมาฟุง้งเก็บเอาไว้เลยกําหนดไว้ว่าชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงที่ทํานี้เก็บเอาไว้พอถึงเวลามาถึงก็ไปทําตามลําดับนี่เขาเรียกว่าทําด้วยสติสัมมชัญญะจิตของเราก็จะถูกแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกมันก็เป็นสมาธิ มันไม่ฟุ้งซ่านล่าเราะไปหลายเรื่องมันก็จับเอาเรื่องแต่ละเรื่องในแต่ละวันแต่ละเวลานั้นแ่ะมาทาจบาจัดด อ, อกไม้จบละก็จบเรื่องนั้นไปทีนี้จากสิเบเอดโมงไปหาเที่ยงเนี่ยมันจะต้องเตรียมอาหารกลางวันละเราก็เริ่มไปอหากลางวันจะทำอะไรบ้างกม็มีสติในการทำเที่ยงวันไปถึงบ่ายโมงนี่จะทำอะไร แต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเดียลําดับไปแล้วก็ใส่ประคองสติไปสมัยก่อนนี่นะทางพระเซนในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ละวัดนักศึกษาที่จบมหาลัยไปแล้วเนี่ยต้องไปผ่านสํานักปฏิบัติสมาธิในสำนักเซนแล้วไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเจ้านายจะต้องถามห้าใบฟุดทีบัตร รับรองการปฏิบัติสมาธิมาก่อนแล้วเขาถึงจะรับเข้างานว่าในวัดนั้นเจ้าอาวาสเป็นผู้รับรองเอกสารว่าผู้นี้ได้ผ่านการฝึกฝนการเจริญสมาธิมาแล้วกี่วันเขาจะพิจารณาตรงนั้นก่อนบอกว่าความรู้คุณเรียนมาทั้งหมดนะคุณไม่มีสติสัมยาไม่มีสมาธิเนี่ยความรู้จะทําทงานไม่ได้มันเป็นความฟุ้งซ่านได้แต่พอมีสมาธิมีสติกํากับเนี่ยความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันลําดับใช้อย่างดีเลยเป็นประโยชน์ อเพราะนั้นญี่ปุ่นเขาถึงเจริญในแง่ของด้านเศรษฐกิจครอบงําทั่วโลกทางยุโรปของเราก็เยอรมันพราญี่ปุ่นกับเยอรมันเขาคบกันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองนะเขาทาสงครามร่วมกันมานะแล้วเขาก็มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการแลกเปลี่ย น, ท า, า น, า ท, ายนทางด้านศาสนาการเทคโนโลยีต่างๆทางยุโรปก็เยอรมันในด้านของทางด้านเศรษฐกิจทางเอเชียก็ญี่ปุ่นล้วนแต่เอาพุทธศาสนาเป็นหลัก พูดถึงว่าความเป็นไปเป็นมาปีสองห้าปีสองหกปีสองห้าสองหกก็มาไปอยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยไปเรียนตอนนั้นไปเรียนต่อเรื่องบาลีสันสกฤตได้ปีที่สองเนี่ยศรีลังกามันก็ลบกันพวกเทมินก็สิงหนมันลบเผาบ้านเผาเมืองฆ่าพลากกันวันลึงพึงพืชไปหมดเห็นท่าจะไม่ปลอดภยัยมาก็กลับเมืองไทยในช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยช่วงที่ปิดเทอมหน้าร้อนเนี่ย เอามาไปพักที่เกาะเกาะหนึ่งเกาะไอแลนด์เฮอร์เมติสมีพระแนะนําไปว่าตรงเนี้ยเป็นเกาะที่สงบสงัดมากเพราะตอนนั้นามาก็ปฏิบัติแบบนี้ละแต่ไปไปเรียนต่อกดัว้ปพบพระเยอรมันกลุ่มใหญ่เลยอยู่ในเกาะนี้แล้วก็ะไอแลนด์เฮอร์เมติสอยู่ภาคใต้ของสิงห์ลังกาจังหวัดกอคล้ายจังหวัดเลย อ, อย่างงี้นะจังหวัดตรังอะไรลนดมทังนั้แหละข้าอยู่เกาะนั้นามาก็ข้ามไปมีเจ้าอาวาสเป็นพระสิงห์ลังกาแต่ว่ามีพระลูกวัดเป็นพระเยอรมันเต็ไมไปหมด อามาก็พยายามสืบถามว่าพระเยนแมนเหล่านี้มาทําอะไรอยู่ที่นี่ค่อยเสาะค่อยแทรกค่อยถามไปคนนั้นคนนี้บ้างปรากฏว่าเขาบอกเข้ามาแปลคัมภีร์พูดใศาสนาทั้งที่เป็นภาษามาคตภาษาฮินดีภาษาสิงห์เนี่ยให้เป็นภาษาเยนแมันเนี่ยบรรพบุพรุษเขาลงทุนขนาด น, นั้นเลยนะแต่ว่าที่ข้อสังเกตว่าเรารู้ได้ไงเป็นพระเยนแมนฉายาเขาจะขึ้นต้นด้วยยานะ ยาหน้าปุนิกายาน้าสังวโลยาหอ่าศรัทธายาน้าชาตัวอลไรจะขึ้นด้วยยานะเพราะฉะนั้นสมเด็จสังฆราชล่วงก่อนคื อ, อสมเด็จพระยานสังวรฉายยาที่เป็นแบบเยอรมันเพราะนั้นท่านได้สร้างวัดยาหน้สังวาลารามขึ้นที่เขาชนไก่ที่ชนบุรีพอศีลังกาลบกันเนี่ยพระเยอรมันชุดนี้ก็ย้ายไปไปอยู่วัดเนี่ยยาน้าสังวลาลามพะมามีโอกาสได้พบพระเหล่านี้อยู่ที่ เมืองไทยว่าอยู่ที่ไหนเอามาอยู่ที่วัดยาในสัมวลาลัางเอาทำไมมาอยู่ที่นั่นพระสมเด็จพระสังฆราชท่านโปรดท่านสร้างตรงนี้ให้เพราะว่าในศีลกรรมไม่สงบแล้วมลบ ก, กันตั้งเกือบยี่สิปีอตั้งแต่ปีสองห้าเป็นต้นมามาจบปีสี่ห้าเราจะเห็นว่าทางเยอรมันก็รับความรู้ทางพุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่ต้นแต่เขาไม่ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นพุทธศาสนาแต่โดยเนื้อในแล้วเนี่ยเอามาดูตาม ประชากรเขาแล้วเนี่ยคนเยอรมันที่นับถือพุทธศาสนาชั้นปัญญาชนโดยประมาณสี่เอร์เซ็นตนั่นะของของศาสนาเขาล้วนแต่เป็นคนมีเป็นปัญญาชนของกันเ น, นะเพราะนั้นคนเยอรมันจะเป็นคนเข้มแข็งเด็ดขาดทำอะไรจริงจังแบบคนญี่ปุ่นเน่ะภาพของชีวิตตามหลักพุทธศาสนามีศรัทธามีความขยันมันเพียรมีสติปัญญามีความรอบคอบสูงมีความรับผิดชอบสูงนะ เพราะนั้นเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั้นมีศรัทธาเป็นพื้นฐานเป็นนับถือพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่านับถือพุทธศาสนาไม่ใช่ระดับสติปัญญาไม่ไม่ใช่ระดับอินเทลเลกชันแต่ระดับไสยศาสตร์นะระดับพิธีลีตองพิธีศาสนพิธีเป็นไสยศาสตร์มันก็เลยเอาพุทธศาสนาเข้าไปแปะไว้นิดหนึ่งก็ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนากัน แต่เราก็อยู่ยากเพราะไม่มีไสยศาสตร์เยอะเพราะไสยศาสตร์มันก็ต้องเอาไปแข่งขันอํานาจบรารมีการออกพระออกลูกหลอกเรียนมาสู้กันคนนั้นมีพระเก่งกว่าหลวพ่อเก่งกว่าก็แสดงพลังอํานาจวันนั้นเขาถามนายกเราว่าเป็นพุทธหรือเปล่าแกแหวกหนะ้าอกออกมาให้ดูพระเต็มคอเลยอ๋อชีว่ไอ้ น, นี่ไม่ใช่พุทธอันนี้เป็นอะไรเป็นพรามณ์าเป็นพุทธเขาไม่แขวนพระเป็นแบบนี้หรอกเนะียเป็นพรามนะแขวนพระเต็มโบ อ่าพอไปนับถือเรื่องขังศักดิ์สิทธิ์แล้วไปวัดไหนถ้าพระไม่แจกรูปแจกเหรียญนี่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่พระเลยีเดียวหลวงพ่อนั่งรถไปเนี่ยเวลาคนขับรถเร็วนะตำรวจมันก็ดักพอเห็นพระนั่งข้างหน้าหัวเราะแห่ๆอ้าวหลวงพอมีพระรูปพระเหรียญไหมมันก็มันก็จะไม่เล่นงานคนขับเรานี่เห็นหลวงพ่อนั่งไปอยู่โยมระหว่างพระรูปพระเหรียญกะพระหลวงพ่อในโยมจะเอาไหนเอางงอนะ หลวงพ่อถามแบบนี้งงระหว่างพ่อรูปพ่อเหรียญไปแขนคอก็าถ้าจริงๆที่นั่งอยู่เนี้ยโยมจะองคไหนถ้าโยมต้องการหลวงพ่อได้เลยนะหลวงพ่อจะไปรับใช้โย ม, นะมงงว่าหลวงพ่อรีบไปก็รีบๆไปเพราะฉะนั้นมันงงอ่ะถ้าถามผู้ได้ศาสนาจริงๆไม่รู้แต่ถามถึงเรื่องรูปเรื่องเหรียญเรื่องศัยศาสตร์เรื่องได้ผูกคอผูกแขนแล้วมันอันไ ม, ไม่ใช่พูดเป็นพราหมงทั้งนั้น่ะแต่แล้วก็ส่งคล็อกเข้ามาเขาพูดกับพราหมณ์มันเกิดมาด้วยกัน นะพราะพุทธเจ้าท่านปฏิวัติศาสนาพราห ม, มีเป็นศาสนาพูทธเฉยแต่ก็ทิ้งพราหมีไม่ได้เพราะคนที่อยู่ระดับสติปัญญายังต่ําอยู่ก็าต้องใช้ของหลอกของเล่นเหล่าเนี้เขาไปดึงมาสร้างศรัทธาก่อนสติปัญญายังอ่อนจิตยังอ่อนอยู่ก็ใช้ผ้าใช้รูปใช้เหรียญใช้ท้ า, ามุนยันใช้หมอดูหมอเดาวสตวิารณาสีอะไรไปเนี่ยเป็นตัวล่อเสื่อก่อน <c oughs> แต่คนมีปัญญาน้อยทั้งหลายก็จะเอาแค่นี้คนที่เขามีปัญญามากเขาจะถาม เรื่องสมถะ ท, ทะทำยังไงเขรับทำวิปัสนาทำยังไงเขรับอทำชีวิตนี้มันไม่ให้มีปัญหาเนี่ทำอย่างไรเขาก็จะไปถามระดับนั้นเขาก็จะไม่ไปถามระดับเรื่องพื้นพืๆเนี่ยเพราะฉะนั้นใครมีได้มัดมือเมื่อวานหลวงพอไล่ตัดไปหลายคนนั้นเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วไปทำเป็นเด็กได้ไงเอามือเอาได้พอมัดข้อมือเขารอแค่แลเนี่ย แถมฝรั่งเขางงวยทําเราด้วยนะฝรั่งก็เป็นลูกเคยไทย <c oughs> เคยทยักเลยเคยเราก็คอยใส่ายผูกข้อผูกแขนไว้ด้วยลุงพ่อไม่เอานะ่ะ <c> เ <oughs> พราะมันมันเป็นเรื่องเด็กๆไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญต้องมาสนใจในการแก้ปัญหาชีวิตมาสนใจเรื่องความทุกข์ของตัวเองไม่ใช่ไปให้คนอื่นมาแก้เราต้องแก้เองแล้วการที่เราจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเราก็จะต้องมีการฝึกฝนไม่ใช่ว่ามันจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาเองนะ เพราะฉะนั้นอยากจให้พวกเราเป็นพูทจริงๆอย่าไปสนใจเรื่องรูปเรื่องเหลืองฝ่าผูกข้อปอผูกแขนนะเป็นเรื่องของเด็กๆที่เขาเตรียมไว้เนี่ยว่าให้ให้ดูรักษาให้พวกเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้มีผู้บายได้สอนเขาแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปสนใจเรื่องเนี้ยที่เมืองไทยถ้าเข้าอบรมอยู่ถ้าใครแขวนผ้าไปผู้ลุงพลังหลวงพ่อเขาเก็บก่เก็บมาไว้บวชถ้าหายหลวงพ่อจะชดใช้เองไง บางคนเป็นทองคําพระดีขอบทองคําพระสมเด่นองค์เป็ น, นแสนๆเลยนะหลวงพ่อว่าขอเขาเก็บก่อนเงินแล้วกันถ้ายมไม่ให้ยมกลับบ้านไปก่อนเอย่าเพิ่งเข้าคอร์สนี่หลวงพ่อไม่เอายมเพิ่เข้ามาเป็นพุทธอย่าเอาพรามณ์เข้ามานะไม่กล้าหารทําอย่างนั้น่ะเราอบรองงออมเขาไม่ได้เราไปเกงใจเขาไม่ได้เพราะว่าเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เป็นเรื่องจริงจังถ้ามีคุณสุบัติพื้นฐานไม่พอเนี่ยมันก็เอาอะไรไม่ได้ไปเสียเวลานะ เพราะว่ามันเราต้องเด็ดขาดในเรื่องเรื่องพูทเนี่ยต้องเข็ดเด็ดขาดเข้มแข็งอย่าไปมัวโอโลมเอาเอาใจกันปกปิดความจริงของกันและกันไม่ได้พูดตรงไปตรงมาเพราะเราสามารถเอาไปใช้ได้นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบความจริงแสดงว่าจิตใจเราไม่เติบโตจิตใจเรื่องอ่อนแออยู่ถ้าจิตใจเราเติบโตมันก็จะชอบความจริงเพราะความจริงมันมันเป็นของไม่ตายเป็นสัจจะ เราก็จะใช้ความจริงแต่ของไม่จริงเนะะี่ยเขาไว้สําหรับหลอกเด็กนะไว้หลอกเด็กเพราะาเด็กมันยังไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอย่ายให้เข้าหลอกถามก็ไปวัดไหนพระจะแจกรูปแจกเหรียญแจกข้อฝายข้อมือฉันมีแล้วครับผมมีแล้วครับได้มาหลายวัดแล้ว <c oughs> ผมขอหนังสือธรรมะเซเล่มไปอ่านได้ไหมหลวงพอ่อถามก็อย่างงี้เลยน ะ, ะไม่ต้องเกรงใจ จะเออต่อไปมีโยมประเภทหนึ่งเนาะต้องการสติปัญญาท่านก็จะเริ่ ม, มาหาหนังสือธรรมะมาไว้หาซีดีธรรมะมาไว้เผื่อโยมประเภทนี้แต่ไม่มีใครถามท่านเลยท่านก็จะแจกแต่ลูกแต่เหรียญแต่ฝ่ายข้อมือมันก็เป็นการดูถูกเราไปนในตัวว่าเออเรายังเป็นเด็กอยู่นะต้องเอาเอาไปแค่นี้ก่อนก็พอเพราะเราต้องการแค่นี้แต่พราะถ้าเราไปถามหาหนังสือธรรมะหาซีดีธรรมะอะไรกับท่านเนี่ยท่านก็จะเตรียมไว้ให้ เราไปก็ขอแล้วก็ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในการมาอบรมครั้งนี้ให้วุฒิภาวะโดยสูงขึ้นให้มีสติปัญญาสูงขึ้นเลือกสิ่งที่เป็นสาระมากขึ้นเลือกที่เป็นความจริงมากขึ้นนั่นหมายความเราต้องซักซ้อมทุกวันนะถ้าไม่ซักซ้อมทุกวันเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ที่สําคัญที่หลวงพ่อพูดไปวันก่อนก็คือพอเรามาทางนี้แล้วเนี่ยมีทางให้เลือกเยอะ อาจารย์นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้วิธีนี้วิธีนั้นในวงกรรมฐานวงวิปัสนาทั้งหลายและวงที่แทรกเข้ามาปนปลอมเข้ามาก็คือมาทําสมาธิมาทําสมถาะาแล้วติดใส่เรื่องรีดเด็ดปฏิหารติดใส่เรื่องครังศักดิ์สิทธิ์ติดใสเรื่องญาณติดใส่เรื่องกรรมเข้าไปจับทางนั้นเลยไม่ใช่พุทธอันนี้เขายังเป็นของเล่นลายทางอยู่เราก็าไปแวะเล่นกับมันอย่างนี้ก็เหวียอาไว้ก็มีเขวออกนอกทางไปเลยแทนที่จะไปทางพุทธเป็นหลัก อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องอจิตวิญญาณเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่เรื่องเสียเขอเสดโชคเรื่องทําทนายถอยทักอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างทางถ้าเราไปเสียเวลากับมันเราก็จะเสียเวลาในการที่ศึกษาความจริงเพราะความจริงในชีวิตมีอีกเยอะมากที่เรายังเข้าไม่ถึงถ้าเราไปเสียเวลากระใสไลยข้างทางเหล่านี้ปั๊บเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะต้องป่วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะไม่ทัน เมื่อจีกศึกษาความจริงไม่ทันเวลาแล้วเหลือน้อยเพราะนั้นต้องรีบศึกษาให้เข้าใจตัวเองสามารถบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดและจัดจิตจัดใจได้ถูกตามต้องการจะให้ใจเป็นยังไงจะให้ใจสงบปลกหรือจะให้ใจสะอาด จ, จะให้ชีวิตที่สงบหรือไม่สงบเนี่ยเราจัดการเองได้เพราะตัวปัญญาเป็นตัวจัดการพระเทียนทั้งจึงเน้นนักเน้นหนาว่า คุณจะทำอะไรก็ตามถ้ามันไม่เกิดปัญญา่าเสียเวลาทำแต่ทำแล้วเนี่ยแม้จะดูหนังฟังเพลงมันทำให้เกิดปัญญาคุณก็ดูไปเถอะไม่ผิดศีลที่ทําอะไรหรอกแต่มันให้เกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าทำอะไรถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธรรมะก็ตามแต่มันไม่ทำให้เกิดปัญญาก็จะเสียเวลาครับมันเพราะตัวปัญญามันเป็นจัดการใ้ทุกเรื่องแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกชุดเนี่ยจะลงท้ายด้วยปัญญาศีล ส, สมาธิก็ลงด้วยปัญญา มรรคแปดสัมมาญานสัมมวิมุตต์ก็ลงด้วยปัญญาไม่ใช่แค่สัมมาสติสมาสามาสมาธิอย่างเดียวนะเป็นสัมมายานสัมมวิมุตต์เริ่มต้นด้วยปัญญาในะมรรคแปดเริ่มต้นด้วยสมาทิฏฐิสมมาสมกัเป็นองค์ของปัญญาเห็นถูกคิดถูกเข้าใจถูกเนี่ยเป็นองค์ของปัญญาเล้วลงท้ายด้วยปัญญา <c oughs> สัมมาญานสัมมวิมุตต์ปิดหัวปิดท้ายด้วยสติปัญญาในในพุทธศาสนาเนะแต่เราสอนกันเราไม่ค่อยได้ตั้งคอสังเกต แล้วก็ว่าเวตามขบวนการความรู้ซึ่งมันสรุปผลชัดเจนไม่ได้เราจับประเด็นไม่ถูกว่าเราเริ่มต้นยังไงทำกลางยังไรจบลงอย่างไรเนี่ยเราเราจับประเด็นไม่ได้ก็สับสนอะใช่ไหมเพระาะดคนรู้ของพุทธศาสนาเป็นคนรู้ที่มีต้นมีกลางมีปลายที่ลำดับได้ชัดเจนเออเริ่มต้นยังไงนะเริ่มต้นฝึกสติสัมยะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดตัวเห็นถูกคิดถูก ถ้าขาดสติสัมรู้เนื้อรู้ตัวซะก่อนแล้วมันคิดผิดเห็นผิดมันเริ่มต้นโดยมิฉาปัญญาละก็ต้องทําเรื่องสติสัมรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยให้เป็นพื้นฐานไว้เลยจะอยู่ที่ไหนกระตุ้นให้รู้สึกตัวจะเอื้อมอับจับย้ายมือไปที่ไห น, นให้รู้สึกตัวจับแต่บางครั้งมันก็ลืมอาการหลงลืมเกิดขึ้นอย่างไรพออย่านื้อออกไหมอาการหลงลืมบ่อยๆเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเรา รีบร้อนใช่ไหมรีบร้อนแล้วก็เผลอเผลอแล้วก็บางทีของออกห้องมาเนี่ยอ่านึกนอะไรอ้าวลืมวันนั้นอกลับไปเอาใหม่พอมาอีกหน่อยเอา้าวันนั้นยังไม่ได้ม า, ากลับไปอีกเที่ยวหนึ่งเพราะหุ่นหันพันแลน่นรีบออกจากบ้านจากห้องแล้วได้กลับมาเอาใหม่มันคอยให้เกิดการเนื่นช้ายิ่งรีบยิ่งช้าแต่ถ้ามีสติสัมยาญิ่งช้าก็ยิ่งเร็ว อ่าเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ดีนะ <c oughs> ยิ่งช้ายิ่งเร็วเพราะอะไรก่อนจะออกจากห้องเนี่ยสำรวจดูก่อนว่าเราวันนี้เราจะไปทําอะไรเอาอะไรไปบ้างจะเสียเวลาตรงนั้นหน่อยจัดให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกห้องขึ้นรถขึ้นลาไปหากว่ารีบไปเข้าไปเลยอ่าคนนึงอันนั้นก็ไม่ได้เอามาอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องรีบไปเมื่อก่อนเอามาเป็นประจำนะจะไปไหนทีก็ลืมของอุตลุ่เพราะอะไรเพราะมันหลายคนต้องรีบตามกันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยก็สำรวจ เป็นอย่างเป็นอย่างไปเพรา ะ, ะนั้นเราอยู่ด้วยกันหลายคนมันยากตรงนี้เองยากตรงที่เรามีสติดีเขามีสติไม่ดีเนี่ยบางทีแล้วเขาก็พาเราลืมเขาก็พาเราหลงเพราะเขาหลายคนเลยใช่ไหมอยู่ในบ้านสมมติว่าครอบครัวเราห้าคนอย่างเงี้ยมาปฏิบัติคนเดียวอีกสี่คนจะสู้เขาไหวไหมไม่ไหวแต่ถ้าครอบครัวหนึ่งมา ก, กันสี่คนอยู่กันห้าคนโอเคสี่ลุงหนึ่งนี่ไหวไห ม, ไ, มไหวนะฮะเพราะฉะนั้น ออถ้าอยู่กันห้าคนมากันสองคนเนี่ยสองต่อสามเนี่ยเข้ากึ่งเนี่ยบางทีสู้เขาไม่ไหวนะใช่ไหมเข้ากิรีรดไฟมาแรงกว่าอยู่วัดนั่นกันสิบรูปปฏิบัติจเจริญสติสิบรูปเดียวเนี่ยอีกเก้ารูปไม่ทําเลยเนี่ยอีกรูปเดี่ยก็จะอยู่ยากละเพราะอะไรผ้าที่ไม่มีสติก็จะทําอะไรพูดอะไรตามเรื่องตามราวอีกคนหนึ่งพูดอย่างมีสติคิดอย่างมีสติทาอย่างมีสติก็จะถูกกระทบละ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาก็สํารวจนะไปทุกที่ทุกแห่งไปที่ไหนก็อยากจะให้คนได้ฝึกสติสมัมญาะถ้าคนมีสติสัมญาะด้วยกันมันสบายมันไม่ระแวงแค่งเคียงมันไม่ต้องเก่งต้องคิดอะไรกันเพราะต่างคนต่างรู้ใจกันต่าคนต่างมีสติสมัมปชัญญะรู้ใจดูกายกันมันก็สบายมันก็ปลอดโปร่งแต่ถ้าหากว่าขาดสติเนี่ยไม่รู้เขาคิดชังแล้วเปล่าไม่รู้เขารักหรือเปล่าไม่รู้เขามองเราอย่างไรมันเพืคิดไปแหละมันเกิดการระแวงไงีย ทไม่ไม่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ไว้วางใจกันแต่ถ้าต่างคนต่างปฏิบัติเนี่ยมีศีลด้วยกันมีสมาธิด้วยกันมีปัญญาด้วยกันมันเหมือนคนเดียวกันมีอะไรก็เข้าใจกันง่ายพูดก็เข้าใจกันง่ายยิ่งในครอบครัวของเราถ้าหาเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราก็ไปคนในครอบครัวเราก็พูดคุยกันบ่อยๆนะปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ถูกว่าเราไม่มี สมถะวิปัสนาอยู่ในใจมันไม่มีอารมณ์จะคุยกันนะต่างคนต่างอารมณ์ไม่ดีอ่ะใช่ไหมไม่สดชื่นแต่ถ้าหากว่าเรามีสติสัมยาช้ำละจิตชําระใจของตัวเองอยู่เสมอเนี่ยอารมณ์ของเราจะดีอารมณ์ของเราจะไม่แปรปลวนอารมณ์ของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่จเจริญสติสัมยาเนี่ยอารมณ์ของเราจะเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุขังอนัตตาพอเราจเจริญสติสัมยาปัญญา อารมณ์ของเราก็จะอยู่เหนือกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตามันจะอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญามันก็สงบกว่าเย็นกว่ามันไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแบบกฎของไตรลักษณ์ก็อีกอย่างหนึ่งนะว่าเราเจริญสติสมาธิปัญญานี่เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนนะเพื่อเปลี่ยนกรฎของไตรลักษณ์เนี่ยให้เป็นกฎของไตรสิขาให้เปลี่ยนมาเป็นศีลใช่ไหมมันไม่แน่นอนก็ทําให้มันแน่นอน ทุกขังก็เปลี่ยนเป็นสมาธิซะเวลามันทุกข์ขึ้นมาต้องอดท้องทนงสู้ต้องปรับด้วยสติด้วยขันติที่ว่ามาอ่าแล้วก็เปลี่ยนอนัตตาให้เป็นปัญญาก็ ค, คืออันไหนที่มันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นดับไปก็ให้รู้มันเพราะเข้าไปรู้การเกิดดับมันก็เปลี่ยนอนัตตาเป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่เข้าไปรู้มันมันก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันเกิดเองดับเองเราไม่รู้ แต่พอเราทําให้เกิดทําให้ดับนะ่ะเรารู้วไฟนะี่จะเปิดตอนไหนจะดับตอนไหนเรารู้นี่เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างแต่ว่าไฟที่มันเกิดดับเองก็เข้ามาเอาเกิดดับเพื่อปับโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเป็นไงวิ่งหนีเลยโดนผีหลอกนะมาแล้วไฟเกิดเองดับเองเราก็กลัวทันทีนะบางคนอ่ะบางคนอาคนบางคนอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเดี๋ยวอพูดดีด้วยเดี๋ยวพูดร้ายด้วยอันนี้ก็เรื่อ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตานะเชื่อไม่ได้ว่าเออมันเกิดดับไม่เป็นเวลามันดีมันร้ายไม่เป็นเวลาเดาใจไม่ถูกนะเราก็จะวุ่นวายอะด้านั้นเองเขาให้พวกเราที่ฝึกมาแล้วเนี่ยให้เป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะในแต่และครอบครัวมีปัญหาเหมือนกันหมดที่มันไม่มีสติสมญยะฝึกมาเนี่ยมีปัญหาทุกคนแต่เราผู้ที่ฝึกไปเนี่ยจะฝึกน้อยไม่ได้ เพราะอะไรเพราะหนึ่งเราจะต้องเซฟรักษาตัวเองไม่ถูกทําร้ายจากอารมณ์ของคนอื่นสองปกป้องคนที่เรารักที่เรานับถือเขาไม่ได้ฝึกเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารเขาเราก็หาวิธีบอกท่าว่าความดีกับเขาลูกสามีเนี่ยก่อนที่จะเอาสิ่งนี้ให้เขาเนี่ยไม่ใช่ให้ได้ง่ายๆนะไม่ใช่เอาสิ่งนี้ดีจังดีสําหรับเรานะาไปบอกเขาเนี่ยเหมือนเอาค้อนไปทุบหัวเขาเลยนะเออ มึงยังไม่สอนกูมึงดีมาจากไหนอะอย่างนี้เลยนะอ่าเราก็ต้องทําดีให้เขาเห็นเสียก่อนอ่คัลวะให้เกียรติรบน้อมรับใช้บริการอย่างถูกอกถูกใจ <c oughs> ทีนี้พอเราจะพูดในสิ่งดีๆ ด, ด้วยเนี่ย <c oughs> เขาก็ร่อมยอมรับเออเมื่อก่อนไ ม, ไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเป็คนหุนหันพันแลนคนขี้บุนขี้จมคนเกกะแต่เดี๋ยวนี้เสมอดูแล้วเรียบร้อยใจเย็นทําอะไรก็เป็นระเบียบ มันอยู่ใกล้กันมันเริ่มมันก็สังเกตมันก็เปลี่ยนไปเขาก็เริ่มยินเขาก็เริ่มอ่อนลงมาแล้วก็เริ่มเอาสิ่งที่ดีๆให้เขาได้เรามาปฏิบัติแล้วยังเหมือนเดิมเนี่ยโอ้ยเขาก็จะบอกเที่ยวแเที่ยวนากอย่าไปนะไปแล้วไม่เห็นไม่มีอะไรดีมา <c oughs> เขาก็จะไม่ให้เรามาแล้วแต่ไปเที่ยวนี้รู้สึกเออมันเปลี่ยนไปนะ ก็เที่ยวหน้าฉันเข้าไปได้คนได้ไหมหน้าเริ่มได้เพื่อนได้ใช่ไหมเม่อฉันอยากจะมาด้วยฉันก็อยากจะเป็นอย่างเธอเหมือนกันนะฉันยังร้อนอยู่ฉันยังขาดสติอยู่มันก็เรื่องชวนง่ายละเออไปไปได้กันครอบครัวเราก็เริ่มมาเอาคนนั้นมาเอาคนนี้มาไอ้คนที่ยากที่สุดคือคนที่มันมีวิบากกรรมคนทีมีวิบากกรรมหนักๆมันไม่สนใจแล้วมันก็ไปตามวิบากกรรมของมันนะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาไม่จบพวกนั้นที่เขาวิบากกรรมเขาน้อยวิบากบุญเยอะเนี่ย เขาเห็นเราดีเขาขะอยากดีด้วยเขาเห็นเราสุขแล้วเขาก็อยากสุขด้วยเขาก็จะถามไทยเราก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราต้องทําดีกับตัวเองให้เสมอต้นเสมืปอไปทําดีให้เขาเห็นแล้วก็พูดดีทําดีกับคนที่อยู่ใกล้บางทีโดยพูดดีทําดีกับคนที่อยู่ใกล้แต่คนที่อยู่ ใ, น ใ, นใกล้นี่าพูดตะคอกใส่กันบ่นใส่กันอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทําดีที่สุดคือทําดีคน ใ, นใกล้ตัวก่อน เพราะอะไรแล้วอยู่กับเราทุกวันนะ่ะถ้าเราอยู่กับคนดีมันก็สบายใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทําให้ดีกับคนใกล้เนี่ยเขาก็เอาความดีที่เราใส่เข้าไปจะกลับมาใส่เราคืนนะ่ะันเป็นวิบากกรรมนะเพราะฉะนั้นทําดีกับคนใกล้ตัวได้ผลเร็วคือเขาจะเอสิ่งที่ดีกลับมาหาเราอืยอมรับใช้ยอมบริการยอมเคารพนับถือให้เกียรติยอมอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเพราะว่าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้จัก ว่ากายนี้มันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นเพียงรูปเพียงนามใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้มันทําดีใช้มันพูดดีใช้มันคิดดีเมื่อก่อนมันคิดว่ามันเป็นเรามันก็กิเลสเต็มตัวจะพูดดีกับใครก็ต้องมีเงื่อนไขจะทําดีกับใครก็มีเงืินไขจะเอาต้องอย่างนี้จะคิดดีไงก็มีเงื่อนไขเนี่ยมันมีเพราะเรายังเห็นว่าเป็นเราอยู่ยังไม่ได้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามโอ้กายนั้นมันเป็นรูปเป็นนามรีบใช้มันพูดดีรีบใช้มันทําดีรีบใช้มันคิดดีซะมันจะได้ ไม่มีปัญหาเราจะ ม, มีความสุขเนี่ยผล้องการรู้รูปนามมันดีอย่างนี้นะทาให้เราลดการรู้รูปนามที่ถูกต้องแล้วมันจะต้องลดอัตราตัวตนลงแต่ถ้าหากว่าเข้าใจรูปนามแล้วอัตราตัวตนไม่ลดลงถือว่ารู้ผิดน ะ, ะรู้ไปทำไมมันดูรู้แล้วไม่ดีขึ้นรู้อัตราตนแจ้งเขว่าวสกายักทิถี สำคัญผิดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ดีผู้ร้ายเป็นผู้รวยผู้จนเนี่ยมันผิดอันนั้นเขาสมมติทั้งนั้นสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นแต่ของจริงเรามีเหมือนกันหมดคือมีลูกกับนามมีกายกับใจมีแค่นี้นะแต่สิ่งที่สมมุติให้เป็นเนี่ยมันเป็นบางครั้งเราจะเป็นพ่อตอนไหนตอนลูกมันเรียกพ่อนะเราสมมติว่าเราเป็นพ่อ เราจะเป็นผัวเป็นเมียตอนไหนก็ตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งมาเรียกเรานันแหละเออเรารู้สึกสำนึกเป็นผัวเป็นเมียก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเองแต่เราก็ไม่ได้มีงั้นตลอดเวลาเราไม่ได้มีเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดเวลาแต่เราเป็นตัวเราเนี่ยมากกว่าแต่เป็นตัวเราเนี่ยมันมันเป็นผิดอ่ะคิดว่าตัวเรามีจริงอ่าสํารวจดูแล้วมันมีแค่สองอย่างกายกับใจมีตัวที่นั่งอยู่ได้กับมีตัวความรู้สึกเท่านั้นเอง ไม่เห็นว่าตรงไหนจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเป็นเนรเป็นเทนบิชีนอกนั้นสมมติเกิดขึ้นมาว่าเป็นเอาผ้าสีนี้มาห่มก็พระเอาผ้าสีนี้มาห่มก็โยมนะโกนหัวอย่างเนี้ยว่าเป็นพระไม่ต้องโกนหัวว่าเป็นโยมมันสมมติก็ึ้นมาทังนั้นน่ะไม่ใช่ของจริงไงแต่ของจริงที่มีเหมือนกันหมดอาตมารู้สึกอย่างไรนั่งเนี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงมีไม่มีโยมมีไหมมีในอันเดียวกันใช่ไหมนั่งนี้สบายไม่สบายมีไม่มีโยมมีไหมก็มี เหมือนเกิดหมดมันมีกันทุกคนของจริงแต่ของไม่จริงนี่แล้วแต่สมมติกันขึ้นมาอันนี้คือเราจะต้องมาดูเราต้องอยู่กับความจริงอยู่ความจริงคืออยู่กับรูปกับนามไม่ใช่ไปอยู่กับสมมติสมมุติมันเป็นของหลอกที่หลวงพ่อพูดไปวันก่อนว่าเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็ตั้งแต่มันเกิดจนมันตายมันก็เติบโตเป็นต้นแต่ว่าทุกปีมันจะต้องผลัดใบทิ้งใบของมันมันเป็นสมมติ มันจะต้องสลัดทิ้งหมดลูกการมันก็สลัดทิ้งหมดรูปการมันก็สลัดทิ้งแต่ตัวมันอะมันถ้าจะเกิดจนตายมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงที่จะต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเหมือนกันรูปกับน้ำขอเราเป็นของจริงเหมือนต้นไม้แต่สมมติต่างๆมันเหมือนใบไม้มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช้จบแล้วก็จบทิ้งไปใช้จบแล้วก็ทิ้งไปใบไม้ปีหนึ่งมันถึงจะหล่น แต่สมมุติที่เราใช้มันหล่นทุกเวลานาทีใช้จบแล้วก็หล่นไปใช้จบแล้วก็หล่นไปสมมุติพ่อเขามาอยู่กับลูกเราทําหน้าที่เป็นพ่อตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะพอเขาออกบ้านไปเราก็ไม่ใช่พ่อเขาละเราก็เป็นลูกเป็นหนามเหมือนเดิมเราเป็นสามีภรรยาก็เป็นด้วยกันตอนอยู่ด้วยกันพ่อออกจากบ้านไปทํางานเราก็ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาละเราก็เป็นลูกเป็นหนามเหมือนเดิมในการกลับมาอยู่กับตัวเองนะอยู่กับความจริง แต่ถ้าไปอยู่กับโลกก็ไปอยู่กับสมมุติเพราะทําหน้าที่ตามนั้นไปอยู่กับพ่อเราก็กลายเป็นลูกไปอยู่กับพี่เราก็กลายเป็นน้องไปอยู่กับสามีแล้วก็กลายเป็นภรรยาไปอยู่กับภรรยาแล้วก็กลายเป็นสามีสมมุติชั่วคราวที่เจอกันเท่านั้นมันก็จากกันไปนะแต่สิ่งที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายคือลูกกับนามกายกับใจเนี่ยเราจะต้องกลับมารู้จักเขา เราอยู่กับเขาแต่ไม่รู้จากเขาเนี่ยเป็นยังไงอยู่เขามีความสุขไหมไม่มีเรามีกายมีใจแต่เราไม่รู้จากกายจากใจตัวเองเราจะอยู่ด้วยความสุขไม่ได้แต่นั้นเรื่องของสมถะพิปัสนามันทั้งสอน ถ, ถ้าเด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะี่มาว่าถ้าเด็กมันได้เรียนเรื่องนี้ตั้งแต่เจ็ดขวบเก้าขวบสิบขวบเนี่ยชีวิตของมันจะราบรื่นแล้วก็มีประโยชน์ตลอดชีวิตเลย นี่พวกเราก็จะมาเรียนได้อายุเท่าไหร่พ่อใหญ่หกสิบแล้วเนี่ยมันใกล้จะเข้าโรงแล้วเพิ่งมาเรียนนะมันช้าจริงๆนะเพราะนั้นหลวงพ่อกำลังวางแผนใหม่ว่าเด็กยากจนบ้านนอกของเราเนี่ยมาอบรมสง่งให้มันเรียน <S <S แต่หลวงพ่อก็ให้ทุนเด็กไปว่าทุกปีเด็กที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะลูกพวกช่างที่อยู่ในวัด พ่อให้เข้ามาบวชในภาคดูร้อนสองเดือนเดินมีนามีษาโรงเรียนปิดพอเรียนเปิดก็ศึกไปเรียนหนังสือพ่อพึงภาคดูร้อนโรงเรียนปิดให้มาบวชแล้วก็คนนั้นมาบวชเพื่อฤดูร้อนสองเดือนพ่อก็ให้ทุนการศึกษาไปให้ทุนการศึกษาไปทํำมาสองสามปีแล้วก็ตั้งทุนการศึกษาขึ้นมาก็ปรากฏว่าเด็กที่เรามาทําอย่างเนี้ยมันดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําในโรงเรียนเพราะมันมีความเข้มแข็งมีความอดทนไม่เกเรเล้อเท้อเหมือนเด็กทั่วไป มันมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเอามาม า, มาทำ <c oughs> นะมั น, นก็กลับไปนี้เลยขายเจ้าคณะอำเภอเขาท่านจะตั้งโรงเรียนปริญญาแต่ว่าจะต้องหาเนนมาเรียนนะพระอาจารย์จะหาเด็กมาบทเนนเรียนหนังสือลูกคุณยากิคนจนที่มันเข้าสู่ระบบไม่ได้พ่อแม่เงินส่งค่าเทอมอะไรไม่พอเนี่เอามาเรียนในระบบของวราก็จะเอาเด็กพวกนี้มาฝึกแล้วก็จัดข้ออบรมญาติโยม ทีเจ้าของอารมณ์ผู้ใหญ่นี่ก็ดีย่งโยงเขาปัจจัยค่ารถค่าเลยเหลือเนี่ยแล้วเขาไปช่วยกเด็กพวกนี้ไปตั้งทุนการศึกษาไปทุนตั้งทุนสหลงไป ต, ตั้งหลายกองทุนในวัดกองทุนสงเคราะห์พระสงฆ์อาภาธกองทุนการศึกษาเด็กที่มาบวชภาคฤดร้อนกองทุนการก่อสร้างกองทุนลงครัวอกองทุนสำหรับผู้สูงอายุที่มาวัดที่ทาบุญตักบาตรทุก ทุกวันพระเนี่ยก็ได้เงินจากบาทเหล่านี้มาตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์คนชร า, าเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาไขา่เวลาตายก็ไปเยี่ยมกันก็เอากองทุนเนี้ไปได้ตั้งกองทุนหลายกองทุนที่วัดพอเวลาไปอบรมตลอดทั้งปีโยมเท่าอายปัจจัยอะไรมาก็ไปตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์คนหลวงพ่อก็ไม่มีไม่ได้เอาไปใช้อะไรหลวงพ่อไม่จะเป็นต้องใช้โยมเขาให้หมดบ้านไม่ต้องเช่าเขาไม่รู้ซื้อผาเสือ้อไม่ต้องหามีครบหมดทุกอย่างพระไม่รู้จะใช้อะไรปัจจัยเหล่านี้เหลือเราไปช่วยคนนี้ เพราะนั้นมันอีกอันนึงกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติเพราะบงทีไฟไหม้น้ําท่วมภาคใต้ภาคเหนือคนญาติธรรมตอนแรกสงเคราะห์ญาติธรรมเราก่อนญาติธรรมของเราถูกน้ําท่วมไม่มีที่อยู่อสงเคราะห์ขึนมาก็องทุนเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามเหตุตามเหตุที่จําเป็นนะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่พ่อได้ไปนี้ไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวเลยนะไปเข้ากองทุนต่างๆแล้วแต่ว่ากองทุนไหนที่ต้องการอะไรเมื่ อ, อไหร ส่งเคราะห์กันมันก็ทําให้เราได้ช่วยพระพุทธศาสนาว่าเออมันไม่ใช่จะอบรมในะเรื่องจิตจใจเท่านะคนที่เขาไม่พร้อมที่จะเข้ามาก็สงเคระเขาด้วยวัตถุปัจจัยเหล่านี้ไปก่อนพอต่อไปแล้วก็ดึงเขาเข้ามาใกล้เข้าไปเขาเขามีโอกาสมาอบรมเนี่ยก็วิธีการดึงนาเข้ามามาเสียดายกําลังของพระสงฆ์ของเราเป็นหมื่นเป็นแสนในประเทศเนะี่ยแต่ว่าการที่จะมาช่วยกันทําอย่างนี้มันน้อยน้อยมาก ส่วนใหญ่ไปเรียนเรียนหนังสือแล้วก็ไปเป็นพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการขอเจ้าคุณพระครูไปแข่งอํานาจวาสนากันเป็นพระช้างคุณนางพระอย า, อาไปทําไมให้ยศกับช้างช้างตัวนี้เป็นพันเอกนะม้าตัวนี้เป็นพันพันโทมีความหมายไหมพระก็แบบเดียวกันเขาให้พระครูเจ้าคุณสมเด็จไม่มีความหมายอะไรอย่าเอาไปทำไมัมนเสียเวลาเ อ, อจะกินจะอยู่จะไปไหนแต่ละทีอ้ยุ่งยากไม่หมดนะสมมุติแบบนั้นไม่เอามันเสียเวลาชีวิตเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ย เราต้องหาความจริงเสรตัวเองไม่งั้นไม่คุ้มกันนะเท่านั้นก็วันนี้เราได้คุยกันเรื่องทั่วไปแล้วการที่จะไปประคับประคองตัวเองต่อที่บ้านเนี่ยทำอย่างไรแล้วการทําคุณงามความดีกับคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยคนจะทํางไงคนจะทํา เพราะหลังจากเรารู้รูปนามแล้วเราจะลดอัตราตัวตนลงนะดัง น, น, นั้นก็ขอให้เราได้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้อย่างนี้ไปทุกวันทุกวันมีความรู้เพิ่มขึ้นมีสติปัญญาเมื่อขึ้นมีความสุขมีความสงบเพิ่มขึ้นตั้งแต่บัดนี้แต่พราคอยสุนิพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเท